ข้อมีความเห็นดังเดิมแต่ขอปฏิบัติให้ได้บรร ล, ลุมรรคผลเนี่ยนี่คือพื้นฐานของเขาเขาไม่เคยมีความเห็นผิดหมายคําว่าแยกแยะว่าเอออันนี้เป็นความผิดมีสามัญยสํานึกรับผิดชอบชั่วดีขึ้นในใจไม่มีบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเลยนะไม่รู้ลูกหลานอาริธามาเกิดด้วยไงไม่ทราบพวกนี้จะมีความเห็นไม่มีความคิดว่าไอความเห็นที่มันวิบัติทิฏฐิวิบัติมันต้องได้รับการเยียวยาและแก้ไขบอกไม่ ความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้ า, าว่ามันดีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยนะแก้ไขกันได้แต่ว่าไม่ยอมจะเลิกละไอ้ความเห็นอันนี้นะก็ว่าไปเรื่อยแต่ว่าใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการมกเม็ดเนี่ยนะมกเม็ดก็ว่ากันไปเนี่ยนะทีนี้ก็บอกว่าคืออริษฐะเนี่ยพิจารณาความที่ตนเนี่ยเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรบรรลุมรรคผลบอกได้ยินว่าเราเนี่ยนะได้ ทำคําสอนที่นําออกจากทุกเพนตานนี้แล้วก็ไม่งอกงามโอ้ยมีโอกาสที่เราจะมาเขาก็เชื่อนะว่าอคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเจริญดีมันก็บรรลุมรรคผลนะนําออกจากทุกได้แต่เราเนี่ยมีความเห็นเรามีปัจจัยถูกถอนเสร็จแล้วก็เลยนั่งเอานิ้วนิ้วเนี่ยขุดดินเล่นนะครับเนี่ยง่อยเลยครับเนี้ยหมดสภาพเลยนะคือคือเรื่องในในใ น, ในตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเลยนะในอริทธสิกขาบทเลยนะ ที่ ท, ที่ก็บัญญัติสิกขาบทแต่ว่าเป็นอบัติปัจจิติเนี่ยนะอบัตปัจจิตตีก็บอกว่าพระอริ tha พิสูจน์เนี่ยนะถ้าใครมีความเห็นอย่างเงี้ยยกวัดห้ามพระพิสูจน์เนี่ยแค่ว่าถูกในประเทศออกจา ก, กเวตวงสงเลยก็คือห้ามฉันร่วมห้ามนอนร่วมอยู่ร่วมห้ามทํากิจกรรมร่วมสวดสวดขับออกจากหมู่ไปเลยเนี่ยนะยิ่งกว่าศึกอีกนะศึกยังเข้ามาทําบุญให้ทานได้บ้างนะนะแค่ว่าถูกในประเทศออกจากอันนี้แบบแบ บ, แ บ, บ, แ บ, บเป็นคนมีชนะกันนะ ก็เรียกว่าแบบแหมประทับตราไว้เลยว่าเออข้ามคบค้าสมาคมต่อไปนะกับคนที่มีความเห็นที่วิบัติผิดพลาดขนาดนี้ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าอริทธะภิกษุเป็นผู้เก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานเรียก ว, ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะโหเสียใจมากเลยนะเหมือนกับคนที่ไปตรวจอะไรนะไปตรวจเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งขั้นสุดท้า ย, ยางไงนะหมดแรงเนยนะตีตายสงเลยนะคล้ายแบบนั้นแนหะ ก็เลยพระองค์ก็เลยตรัสกับอริธาภิกษุต่อไปว่าดูก่อนโม้าบุรุษเธอจักปรากฏด้วยทิฐิอันชั่วของตนเองนั่นแหละแหมคำนี้เนี่ยมันแบบคล้ายๆอะไรนะถ้าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วพี่ภาคสาคดีบอกว่าอันนี้มันก็คงว่าไปตามตัวบทกฎหมายอ่ะนะแหมพูดคำนี้ปั๊บเนี่ย น, นีมันโทษประหารใช่ไหมพอฟังก็บอกคงว่าไปตามตัวบทกฎหมายอ่ะนะ ถ้อย่างนี้ก็ปแปล ว, ว่าข้าพเจ้าคอขาดแล้วว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะพระราชาไม่ได้หาทางออกให้เลยเงนะเพราะอะไรเพราะนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิอันชั่วมันอย่าอย่าลืมว่าพุทธศาสนาว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคือความเห็นความรู้ความเห็นความคิดเนี่ยนะทัศนคตินี่มันถูกก็ถูกเลยผิดก็ผิดเลยเพราะความเห็นมีสองอย่างคือเห็นผิดกับเห็นถูกถ้าไม่เห็นผิดก็เห็นถูกแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราเห็นผิดหรือ เห็นถูกการเรียนพระไตรปิฎกในี่เดียนพระสูตรอัจฉริยแล้วก็เรียนหลายๆคมภีร์เรียนเยอะๆเนี่ยเพื่อปรับทัศนคติว่าเรามีความเห็นขัดแย้งกับคําสอนสูตรใดที่ไหนและอย่างไรไอ้ที่ไอ้ที่ถูกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ไม่อันตรายดีอย่างเดียวไอ้แต่ที่ผิดนี่สิมันเป็นตัวทํำลายอย่างร่างกายของเราเนี่ยนะตัวตรงไหนที่มันสบายดีอยู่แล้วต้องไปใส่ใจมากไหมไม่ต้องไอ้ตรงไหนที่เจ็บปวดป่วยล่ะ ที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตรงนั้นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขและรักษาฉันใดการศึกษาพระธรรมคําสอนก็ฉันนั้นเพื่อแก้ไขเยียวยารักษาความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะความเข้าใจที่ผิดพลาดเนี่ยนะมั น, มนแก้ไขยากและขณะเดียวกันเนี่ยอย่างยุคของพวกเราทั้งหลายถ้าไม่อาศัยคําสอนแล้วถ้าแก้ไขตอนที่มีคําสอนไม่สําเร็จมันก็หมดโอกาสแล้วล่ะเนี่ยนะมันหมดโอกาสที่จะแก้ไขเพราะอะไร เพราะแล้วเอาอะไรจะมาตอนหลังจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนผิดอันไหนถูกคิดว่าตอนกลางวันก็ไม่ได้ดูแล้วเนี่ยนะที่ต้องใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่จะดูเห็นเนี่ยนะเสร็จแล้วถามว่าถ้าอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วแล้วใช้แสงหิ่งห้อยที่ไหนมาส่องดูนี้ผิดนี้ถูกบอกมันไม่ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามศึกษาพระธรรมคําสอนเพื่อสํารวจตรวจสอบลทัทธิทิฐิความเห็นของเรา ถ้าเราสํารวจตรวจสอบความเห็นของเราไม่ขัดแย้งพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่แปลถูกโดยอัฏฐะและพยัญชนะทั้งหมดเราไม่ได้เห็นขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าแม้แต่บรรทัดเดียวก็เชื่อเหอของเราว่าที่พระโสดาบันในอนาคตแน่นอนอย่งนั้นเถอะแต่ถ้าแม้พระไตรปิฎกพลาดตั้งเยอะนะเนี่ยอุ้ยมันต้องแก้ไขนะเนี่ยมันไม่เป็นไปตามความเห็นของเราเมื่อเราเห็นอย่างนี้พระไตรปิฎกต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็นของเราถ้าอย่างนี้ก็น่าว่าที่ ลูกหลานพระ อ, อริ t h ะเพราะบุคคลกลุ่มนี้จะแก้ไขคําสอนบุคคลกลุ่มนี้ต้องการเกิดมาเพื่อแก้ไขคําสอนแต่ตัวเองตั้งาศาสนาไม่ได้นะแต่ต้องการแก้ไขาศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่อ้างฐานะว่าตัวเองเป็นสาวกเขาบอกบางคนอ้างพิทักษ์ศาสนาพิทักษ์กหรือทําลายกันแน่ไม่มีที่ไหนพิทักษ์ด้วยการอะไรนะด้วยการทําลายคําสอนหลอกเนี่ยนะดันั้นพระองค์ก็บอก ง่ายๆบอกเธอจักปรากฏด้วยทิฐิอันชั่วของตนเองเนี่ยนะเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็สอบถามพิสูจทั้งหลายว่าพิสูจนทั้งหลายบอกว่าพวกเราจักสอบถามพิสูจทั้งหลายในที่นี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาว่าพิสูจนทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ โดยประการที่อริ tha พิสูจนผู้เป็นเหล่ากของคนข่าแรงคนนี้กล่าวขุดกล่าวตู่เราขุดตนเองประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันชั่วอันตนถือเอาชั่วแล้วดังนี้หรือคือคือพระองค์ก็บอกว่าอาศัยพระอริ t h ะใช่ไหมถามมีใครเห็นแบบอริษ h ะแบบนี้ม้างไหมพิสูน์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าเนี่ยนะ บางคนเนี่เออริ tha ได้ทาท่ามันจะดีเหมือนกันนะเหมือนเมื่อก็ตั้งหัวหน้าพักใหม่ใช่ไหมเป็นหัวหน้าพักใหม่ที่เกิดขึ้นมาต่อต้านพระพุทธเจ้าเลยเออบางคนก็อาจจะดูเหมือนดีใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไเข้าวบอกมีใครที่จะเห็นแบบนี้บ้างไหมเป็นกลุ่มคนที่กล่าวตูพระพุทธเจ้าขุดตัวเองจะประสบบาปไม่ใช่บุญด้วยทิฏฐิอันชั่วที่ตนถือเอาชั่วมีใครเป็นอย่างนี้อีกบ้างไหมบอกว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าวว่างั้นนะะเราก็ไม่แย้มนะเนาะ กลัวด้วยว่าทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ข่าพระองค์ทั้งหลายนะโดยอเนกปรยายว่าเป็นธรรมซึ่งกระทําซึ่งอันตรายก็แหละทำเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเนี่ยนะก็อันตรายจริงเนี่ยนะคือที่พระพุทธเจ้ามาสอบถามอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าอริทธะภิกษูนี่เขาคิดว่าเออเอ ถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกตัดขาดอุปนิสัยมรรคผลเป็นคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะแสดงธรรมเฉพาะผู้มีอุปนิสัยเท่านั้นพระองค์ก็ต้องแสดงธรรมให้แก่ผู้ไม่มีอุปนิสัยด้วยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนเฉพาะคนที่จะบรรลุมรรคผลคนที่ไม่บรรลุมรรคผลพระองค์ก็สอนเรานะได้สุขโตวาตหมายว่ารับโอว่ารับคําสอนจากพระพุทธเจ้าแล้ว จากกระทํากุศลอันเข้าถึงสมบัติของตนได้สวรรค์สมบัติก็อย่างนี้ไม่ได้มักผลนิพพานก็เอาเถอะเดี๋ยวเราจะฟังคําสอนจากพระพุทธปฏิบัติตามได้สวรรค์ก็ยางดีเพราะเราไม่มีวาสนาแห่งอุปนิสัยมักผลแล้วพระพุทธเจ้าต้องการจะบอกว่าความคิดอันนี้ไม่ถูกพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนโมฆะบุรุษเท่านนั่นแหละจากปรากฏในนรกเป็นต้นนะเขาบอกว่าที่คําว่า ประสบด้วยทิฏฐิอันชั่วเนี่ยนะหมายความว่าประสบบาปไม่ใช่บุญด้วยทิฏฐิอันชั่วเนี่ยก็แปลว่าท่านจะปรากฏในนรกเปรตอสุรกายและเดรชาด้วยทิฏฐิอันชั่วไม่ใช่พระพุทธเจ้าเช่งนะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่พยากรณสภาพตามความเป็นจริงดีพระองค์ก็ว่าดีชั่วพระองค์ก็ว่าดูจชั่วเหตุแห่งความสุขพระองค์ก็บอกว่าเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์พระองค์ก็บอกว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทีนี้พระองค์เป็นผู้ที่มีความ กรุณาหวังจะช่วยคนที่พอจะช่วยเหลือได้เนี่ยนะพ่อองค์ก็ปรารถนาที่จะช่วยคนที่พอจะช่วยเหลือได้แต่ว่าอริ tha ภิสูุเนี่ยมันช่วยยังไงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ยนะเพียงแต่ตอนนี้ต้องการว่านิ้วไหนเน่าเละเฟะเนี่ยนะก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งมาให้มันลามแค่นั้นเองพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้ทำเท่านั้นไอ้นิ้วตัวนี้เยียวยารักษาให้มันสดดังเดิมเนี่ยไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าชื่อว่าสุขโตว่าของท่านย่อมไม่มีจากสำนักของเราท่านไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราจะสอบถามพิสูุทั้งหลายในณที่นี้พระองค์ก็เลยถือโอกาสชำระบริษัทชำระพุทธบริษัทว่าจะมีใครที่มีความเห็นอย่างนี้บ้างไหมซึ่งพิสูจนทั้งหลายก็บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเป็นอันตรายสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายจริง นนะหมายคําว่าอย่าฝืนคําสอนพระพุูธเจ้าเลยพระองค์บอกว่ามันอันตรายมันก็อันตรายจริงอะไรพระองค์บอกว่ามันมีโทษมันก็มีโทษจริงนั่นแหละ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสาธุดีแล้วภิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่ทำทั้งหลายที่เรากล่าวแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายแก่ท่านทั้งหลายสแสดงไว้โดยอนเนกปริยายโดยวิธีการมากหลายก็แหละทำเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงนะเขบอกว่าการทั้งหลายมีโทษมากนะนะเหมือนอะไรบ้าง เหมือนกับร่างกระดูกเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนคบยาเหมือนลุ้มทานเพลิงเหมือนความฝันเหมือนของขอยืมเหมือนผลไม้เหมือนเขียงหั่นเนื้อเหมือนหอกเหมือนเหล่าเหมือนกับหัวงูพิษเนี่ยนะโทษของกามเนี่ยมีทุกมากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่อย่างยิ่งเออก็เลอริฏฐภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าเร้งกล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยทิฏฐิอันชั่วอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแลจกมีแก่เธอผู้เป็นโมฆบุุษเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกสิ้นการนานเด่นะโอ้ดีใจนะของเราเองกยังไม่ได้ถูกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเงี้นะนะต้องระวังนะว่าต้องปิดโอกาสแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสอะไรนะใช้ได้ทุกการถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็ เหมือนกันนั่นแหละมันก็ต้องระวังว่าเออความเห็นของเราเนี่ยสอดคล้องกับคําสอนบ้างไหมถ้าความเห็นใดที่ขัดแย้งกับพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมความเห็นตัวนั้นอันตรายความคิดตัวนั้นเนี่ยอันตรายนะนะแปลว่าเชื้อโรคร้ายได้อุบาทระบาดเกิดขึ้นมาแล้วในใจของเราต้องพยายามประคับประคองความเห็นอย่าให้นอกคําสอนให้เห็นตามคําสอน แต่ถ้าไม่คิดจะเห็นตามคำสอนก็อย่าศึกษาก็ง่ายนิดเดียวว่ะนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อจะกล่าวว่าถ้าหากว่ามีความเห็นบอกว่าไม่คิดไม่คิดจะเห็นตามคำสอนอยู่แล้วพระองค์ก็ไม่ได้บอกอ้อนวอนเธอจงขอร้องเธอมาเถอะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นเลยเนี่ยนะมันถ้าหากว่าใครที่ไม่ไม่พยายามที่จะเห็นตามคำสอนก็เลิกไม่ต้องศึกษาก็ไปตามเรื่องตามราวของตัวเองซก็หมดเรื่องนะ แต่นี้ถ้าหากว่ายังอยู่เป็นคนเวทวงข้างในศาสนาแล้วก็มีความเห็นที่ขัดแย้งต่อคำสอนก็จะประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิชั่วอันตนถือเอาชั่วแลจักมีเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานภิสูจทั้งหลายอริ t h พิสุเธอจักเสพกามทั้งหลายนอกจากกามนอกจากกา ม, มสัญญานอกจากกา ม, มวิตกข้อนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อความเห็นว่าการไม่มีโทษแล้วจะไปไหนแล้วอย่างอย่างคิดบอกว่าคนที่เขาบอกว่าสุราเนี่ยนะดื่มสุราแล้วไม่เห็นมีโทษอะไรเลยมันจะไปไหนมันก็ดื่มเช้าดื่มเย็นหนักๆเข้าวาบอกมันไม่มีโทษหรอกดื่มก็เป็นยางไงเนี่ยนะกินให้ทานอาหารอร่อยกินอิ่มนอนหลับสบายมันไม่มีโทษอะไรหรอกกินก็เป็นยาพราพวกนี้ก็กินเหล้าทุกวันเลยกระเนี้ย มันไม่มีโทษที่นี้วันแรกก็เป๊กเดียววันสองก็เขอให้เพิ่มปริมาณมากเรื่อยทีนี้ก็เป็นปลายเป็นแอลกอฮอล์อยู่ในเม็ดเลือดตลอดเวลาเนี่ยนะพอแอลกอฮอล์ลดเมื่อไหร่ก็มีมืองิกเท้างอเป็นต้นเนี่ยนะก็กระสับกระส่ายก็ต้องยอดตลอดเวลาแล้วไปที่ไหนหละคะเนี่ยก็เมาตลอดป่าเนี่ยแล้วแก้ไขรักษายากมากก็ไม่ต้องห่วงร้องว่าปัญญาอ่อนทั้งหลายกรรมอะไรนําเกิดก็ไม่ต้องแปลกใจเนี่ยนะเพราพวกที่เห็นว่าสิ่งใดไม่มีโทษก็จะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นเนี่ยนะ